ความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจการสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกก็จะมีความรู้สึกรับรู้ที่ชัดเจนให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้แหละให้ต่อเนื่องถ้าความรู้สึกเขาเพิ่ไปแล้วก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่พลั้งเพอแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดความเคยชินแต่คนส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะได้สร้างกัน คิดก็คิดไปเลยทำก็ทำไปเลยจิตก็เลยเกิดส่งออกไปข้างนอกไปตลอดเวลาบางทีความคิดก็ผุดขึ้นมาพงแต่งจิตจิตกับความคิดเขาร่วมกันไปเราเลยรู้อยู่เพียงแค่ว่าเราคิดมันหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นอยู่ถ้าเรามาสร้างความมหึบบ่อย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 ทางด้านสมมุติก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ก็มีโอกาสเชื่อมั่นในพระธรรตกายเชื่อมั่นในบุญในปัจในความ ต, ตรัสรู้พุทธเจ้าผ่านการผ่านเวลาผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากต่อมากทีนี้เราก็พยายามมาเจริญสติเข้าไปทําจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราไม่ได้ทําด้วยอารมณ์ทําด้วยอํานาจของจิตนิสให้ทําด้วยสติทําด้วยปัญญาหาเหตุหาผลรู้เหตุรู้ผล สัวกวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นฐานทะลุปุกปลงการควบคุมจิตเราควบคุมได้ระดับไหนวะระดับภายในทั้งไปยังไม่เกิดหรือระดับก่อตัวแล้วเกิดแล้วควบคุมไม่แสดงออกทางกายหรือว่าจะแสดงออกทางวาจาเราก็รู้จักดับรู้จกกักควบคุมเป็นชั้นๆลึกลงไปก็ควบคุมตั้งแต่ความคิดควบคุมอารมณ์ที่กาะเกิดขึ้นที่จิตของเราเอง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 แต่จิตไม่ยึดก็มีเขาไปด้วยความระเยอทะยันยากแต่ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีก็มีนี่แหละถ้าเรารู้จักวิเคราะห์จะเอาจะมีจะเป็นก็เอามาด้วยสติเอามาด้วยปัญญาทำด้วยสติทำด้วยปัญญาจิตนี้ก็แปลถ้าไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเขาก็จะส่งออกไปไภายนอกคือย่างนั้นทั้งส่งออกไปไภายนอกทั้งหลงด้วยทั้งยึดด้วยถ้าเรามาจเจริญสติ เพียงแค่คําว่าความระลึกรู้ตัวเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเสียก่อนสร้างขึ้นมาบ่อยๆรั้งกายก็สร้างขึ้นมาบ่อยๆทำความเข้าใจกันนิวรณ์ทำต่างๆซึ่งเป็นเครื่องกางกัน้นจิตของเราไม่ให้รับความสางบจิตของเรามีความกําหนัดเรื่องราคะรูปรสจินเสียงเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมเสียรู้จักละเสียจิตของเรามีความอาฆาตพยายามบัตรให้ใครเราก็พยายามอโหัวกรรม อภ้ยาานมองโลกในทางที่ดีคิดดีความรู้ลึกรู้ถึกตัวของเราพังเพลย์เราก็พยายามสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาบ่อยบ่จิตของเรามีความพุงสร้างไม่ว่าเรื่องไหนโฉดเราโ ก, กพยายามดับพยายามละจิตของเรามีความลังเลสงสัยในสิ่งต่างๆเราก็พยายามดับทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ทางสมมุติให้ดีด้วยีสมมุติความเป็นอยู่ภายนอกเราก็ต้องพยายามทําให้ดี ถ้าปากข้องของเรายัางมีความหิวโหยอยู่มันก็ยากที่จะเข้าไปประพฤติปฏิบัติจิตได้ถ้ายัางอนนูนก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเราต้องพยายามทําให้เรียบร้อยเสียมีความพอใจยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มั่นสนใจแก้ไขอยู่ปัจจุบันให้ดีส่วนภายในซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทมเรารู้ไม่ธรรโกรู้จังดับรู้จักควบคุม แก้ไขได้ทั้งภายนอกทั้งภายในวิมุตตกับสมมุติเขาก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละไม่ได้หนีไปในโลกทากับโลกก็อยู่ด้วยกันเพียงแค่เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องเสียเราก็จะอยู่ดีมีความสุขได้บ้างไม่ได้บ้างเขาพยายามพากันทาอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมายืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราต้องหมั่นวิเคราะห์ดูตัวเรา แต่ะ ว, วันแต่และ ว, วันนั้นจิตมันเกิดอยู่ตลอดนั่นหลยความคิดก็มาพรุงแต่งจิตอยู่นั่นหละเราพยายามสร้างตัวรู้ตัวใหม่เข้าไปสังเกตดูรู้ไม่ทันเราก็พยายามดับเขาไม่เกิดก็รู้ความปกติเอาไว้ถ้ากําลังสติของเรามีมากสักวันหนึ่งเราก็จะสังเกตเห็นตั้งแต่อาการเขาเริ่มเกิดเขาเริ่มขอตัวทาความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาธรมรมภาษาโลกภาษาธรม ร, าธร ม, รรมที่ท่านเรียกว่าสักแต่วรมดูสักแต่ว่ารู้สัจธร่มฟัง ตาก็าทำหน้าที่ตูเราก็ห้ามตาไม่ได้หูทำหน้าที่ฟังเราก็ห้ามหูไม่ได้เราก็ต้องทำความเข้าใจข้อเสียเวลาตากระทบรูปนั่นแหละเขาเรียกว่าสัมผัสเย ว, วสษษ่สักกวัตดูเราก็พยายามรู้จิตของเราเวลาตากระทบรูปจิตของเราเกิดกิเลสไหมเกิดความโลภไหมเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมผักใสมไ้ยดึงเข้ามาไหมเราพยายามมันตรวจสอบตัวเราตลอดเวลาตั้งกระตื่นขึ้นมา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 ทุกภายนอกทุกภายในอะไรคือรูปธปรรมอะไรคือนามธรรมเราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันคน้นคว้าถ้าเราไม่วิมีข้อตัวเราก็ไม่มีใครที่จะวิเคราะห์ให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเองเวลาทุกลมหายใจมีค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยวันเวลาทิ้งเสื่อได้เวลาเราเกิดมาเราก็หายใจอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนั่นแหละเกิดจากท้องแม่มาก็หายใจแล้ว มันก็มีการหายใจมาตลอดจนกระทั่งทุงทุกวันนี้หยุดไม่ได้หยุดก็ตายลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายก็เป็นธรรมชาติเพียงแค่เรามาสร้างความรู้ตัวกับธรรมชาติตรงนี้ร่ากายของเราก็ออกเปลี่ยนสภาพจากเด็กโตขึ้นมาเรื่อยจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรค ต, ต่างๆผ่านทุกขผ่านถุกมามากจนมาก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 ถึงศึกษาก็ศึกษากันไม่ได้ตลอดก็ต้องพยายามถ้าอยากจะให้ได้ตลอดก็ต้องพยายามสร้างความรู้รู้ตัวรู้กาเจริญสติให้มากๆให้ได้ทุกุริยาบทการเจริญสติเข้าไปควบคุมจิตทําความพอใจกับจิตแล้วก็รู้จักสร้างบา ร, รมีจิตของเรามีความตนันหีเนียวแน่นเราพยายามละความตนันหีเนียวแน่นโดยการบริจาคโดยการให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองในโกหกตัวเอง แก่ไขตัวเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีสัจจะตัวเราเองมีพร ม, มีหานมีความเมตตามีความกตัญญูกตเวทีรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ของพี่ของน้องให้อภัอยาทานอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางกันพยายามกันนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าปล่อยเวลาทิ้ง แม้งแต่เรื่องของการหายใจเข้าออกเราก็พยายามศึกษาให้เป็นธรรมชาติให้ต่อเนื่องเพียงแค่ดึงเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรามองข้างเรื่องอยู่เรื่องกินก็เหมือนกันก่อนที่จะกินก่อนที่จะรับประทานอาหารเราก็ต้องดูเสียก่อนว่ากายของเราหิวหรือไม่จิตของเราเกิดความอยากไหมถ้าเกิดความอยากเราก็ควบคุมความอยากให้หายอยากเสียก่อนเอาค่อยทานนรก็ความเป็นระเบียบภายนอกด้วยเราก็ต้องหัดพยายามสร้างความเป็นระเบียบ ให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในทักวันหนึ่งเราก็จะคขอยเปในชีวิตของเรา